بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا อ والسلام على ล ش ر ف ا ل ล ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى อ ل ه وصحبه ฮ ج م ع ي ن رب อั ش ر ح, ر ح ل ฺุลลอฮฺอ ر ลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุลล ي ฮฺอั و ลอ Allahumma innana nasaluqain man nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين Allahumafakirhu ا ل دين وعنه تأوين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาก Allah subhanahu um wa al ah ah uh. taala ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมอ่านอัลกุรอานกันทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละชุกตอลลอสุบฮานอหวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาทำอิบะดที่มีความสำคัญแน่นอนนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานนั้น เป็นหนึ่งในสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีแต่ถ้าเราอ่านอย่างเดียวก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือความหมายในสิ่งที่เราอ่านเพราะถ้าเราอ่านอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าอัลลอ์สุบฮานอหัวตาละบอกอะไรกับเราคุรานไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องประดับ แต่มันคือหูดามันคือทางนำสู่การปฏิบัตินั้นคนที่อ่านกุรานอย่างอย่างดีอ่านด้วยความภายเราะแต่ไม่เคยสนใจในสิ่งที่กุรานบอกก็ถือว่ายังไม่ได้รับทางนำนแต่อ่านเขาได้บุญไม่ได้บุญแต่ประโยชน์ที่แท้จริงของกานกุรานก็คือนาสู่การปฏิบัติเพราะว่า มีคนถามท่านหญิงไอชาโรดิยลลาลอของอันฮาถึงสิ่งที่กุราณานได้กล่าวถึงท่านหญิงบอกว่าอยากจะรู้ว่ากุราณานบอกอะไรก็ก็ดูการปฏิบัติของท่านรอซูลเป็นเป็นแบบฉบับเป็นสิ่งที่กุราณานในฉบับของของคนที่เอามาปฏิบัติก็คือท่านอบดเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันที่ซุร้อันฟาติฮะ และหลังจากนั้นเราก็จะอ่านในสุร้ออัลมาอิดะอายะที่9 4ยาอิยูฮันละดีน่ามานุลยาบลวนนะกุมุลลอฮูบิชาอิมมีนัสไซดเอ่ออายะที่9 4อันดับแรกต้นที่ฟัดิฮะก่อนอูบิลลัฮิมีนัสเชีตันอูรุจิ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م ن الرحيم มัลกียามิดดินいや كنع بدو و إياه كنستعين إهدى نصي رط المستقيم ส ر ا ط َ الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولضالٍ อเมนอ้างอุบิลลาฮิมินั่นชัยตานุรจิมอ้างอุบิลลาฮิมิ เราอยู่ตรงนี้นะไหวไหม อ่ะไม่เป uh ็นไรเดี um ๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันสั้นกว่านี้อีกยาอายุหะลีนาอามานูลายาบลวนนักุลลอฮฺบิชัยอิมีนาสซยดีแตนาลู ลายดีกุมลูวนอาตานาลููมั ส, สิละกุบรอนะอ่านให้ยาวส5่ถึงห้าขอระกา น, นะครับ อ, อรอบนึงนะ ล ا ยบลวันนะคุมุลลาหุบีช่ยิมมินัสไดีตะอะย์ดีคุ ดีมากครับว่รีมาผูกุมลี้ยงละมั่งลมัยข้าฟูบิลไกบ์ผู้กุม กอยบ์อ่ากอยนะอ่ากอยแล้วก็มีตัวบาอยู่ข้างหลังบิลกอยบ์ช้าๆนะบิลกอยบอ่าอีกรอบหนึ่งวารีมาผุกลมีย์ละมาลลัฮฺไมยิขามหูบิลกอยบอ ف, بعد ف م ن ْ تدابع ذلك فله عذاب أليم อีกรอบหนึ่ง فمن ตา ي าบตาดาลิกَฟَลُหَอَ ا ب บَุอِล م ٌดีมากครับเย อียูฮัลที่นั่ต ا ้ง ลาตาเกาะตูลุสตัววาวนีอ่านข้ามไปเลยนะตาเกาะตูลุสเข้าไปที่ตัวซอสโซยิดาวะออนตุมหุรุม อ, อ่านหยุดก็คือหุรุมนะครับอีกรอบหนึ่ง يا أيها الذين آمنوا لا تقطل الصيد و ا ط م ح ُ ر อันดีมุตัมมิดานะกันนะว่าบนแต่ละหูมีุมมุตมมมัมมิามดาอ่าเพราะว่ามันมี มีมิชดาอยู่สองตัวมีมตายพบมีมกับมีมมิชดาก็ว่าญีบุญวุนะเหมือนกันนะมีกุมูตะอัมมีดาอีกรอบหนึ่งวมก็ต่ละหูมีกุมูตะอัมมีดา อาจยุต ah ้งยัคุมูบีได้ไหมเฟ م จเซอุมิสลุมะกอตาลาไมนันนَามิยัคุมยัคุมِบِ กูมูบิ um นะเราจะชินกับสระดอมมะยะกุม um แต่นี้มีดอมมะอยู่ที่ตัวมีมย um ะกูมูบอขอมาอับด้วยนะดูดูดูสระนิดหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเฟยเซอุ ม, มิส ลูกมาข้อตกลามินันน้ำมียาคุมบีอ้าวมาอับนะ The word limit มิั่นจก่ผอื ว่ารตุตَُ๋มَมาสะَิَาอูอัดลุ ذلك ذلك สิยา ا ل ِีَ ดَ่งที่ศิลป์มันลี้ลุกแَะบาลอัมริดั่งทีอริ عاف الله عما سلف عاف الله عما سلف ว่ามัน َعَ ดฟัยตะคิมุลลาหูมิน واللهعزيز الطقام เอ๊ะสองตัวนะไซุนเนี่ยจุนจุนุนแล้วก็จุนเห็นไหมไซกับาน ใซตัวแรกเป็นดอมมาไตาจริงๆก็คือนูนนั่นแหละแต่เขาเขียนในรูปดอมมาไตาส่วนดานตัวที่สองเป็นดานที่อยู่ในนูนตายูนตีกอมนูนตายพบตาตันวินพบดานเป็นเอกอเป็นเกฟ้านะเป็นอีกฟ้าทั้งคู่เลย นะครับอีกรอบหนึ่งนะวนะวลูัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอมาดูลวอมหมายลอฮัลอัลลอฮฺอัลลอฮลลลลอลอัลลฮฮอล ขึ้นต้นด้วยคําว่ายะอหยูฮัลลาดีนอามานูนี่คือตามมาด้วยคําสั่งนะอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาละโอโอนี่ก็คือเรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล่ยะบลูวันนะกุมุลลอัลลอฮ์เนี่ยจะทดสอบแล่ยะบลูวันอัลลอฮ์ะจะทดสอบ พวกเจ้าบิใชอิน ม, มีนสัสไอด้วยกับสิ่งหนึ่งอ่ามีชอินก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งในบททดสอบของล เ, เนี่ยมีเยอะนะบางคนถูกทดสอบด้วยกับเรื่องซั์บางคนถูกทดสอบด้วยกับเรื่องเนื้อคู่เนื้อคู่บางคนถูกทดสอบด้วยกับสุขภาพ ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่มีไม่ถูกบดทดสอบต่อให้เป็นคนรวยแต่ยังไงก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่แมไอัที่ไปนอนกันอรงพยาบาลแพงนแะต่คนรวยเท่านั้นแหลเ ะ, เ, ะเพราะว่าอันนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้เข้าใครออกใครคนจนก็ป่วยไดค้คนรวยก็ป่วยได้นะแต่คนรวยเขาจะนอนสบายหน่อย แต่เวลาจ่ายตังเนี่ยโอ้โหเออบางครั้งไอ้ไอ้บายเนี่ยบางทีกลายเป็นทำให้ภูมิเราไม่แข็งแรงฉันเคยถามคนคนที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาบอกเขาไม่ค่อยป่วยหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับเชื้อโรคเยอะ <c oughs> มีภูมิ <c oughs> เด็กมันลงไปอาบน้ำในสลัมนนะน้ำน้าสกรปรกมันวหายมันอาบ ของเราเนี่ยผิวขึ้นไปหมดแล้วพืนขึ้นไอ้ น, นี่อาบจนชินผิวไม่ทำํำเชื้อโรคทําอะไรไม่ได้แล้วมีภูมิอ่าบัดดีไอ้อเราคนสุขอะไรนะป้องกันเชื้อโรคเยอะพอออกไปข้างนอกปั๊บเจอเชื้อโรคเป็นเลยนะเพราะว่าเราให้ให้ร่างกายเรามีเม็ดเลือดชนิดหนึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวไอ้ตัวนี้เนี่ยพอเวลามีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะจู่โจมจับ กำจัดเลยเนี่แหละเม็ดเลือดขาวอาลัลลอฮ์ให้นะถ้าเม็ดเลือดขาวต่ําเมื่อไใ่ก็เชื้อโรคเข้าร่างกายเราเป็นป่วยเขาเด็กภูมิเนี่ยเชื้อโรคเม็ดเม็ดเลือดขาวก็คือภูมิคุ้มกันนะอลัลลอฮ์ให้วิธีการในร่างกายอา้อาวอัลลอฮ์บอกจะทดสอบเรื่องหนึ่งมีนัสไซด์ได้แก่เรื่องของการล่าสัตว์ล่าสัตว์กับ กินเนื้อสัตว์เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะกินเนื้อคนละเรื่องกันแต่ถ้าล่าเนี่ยหมายถึงวิธีการนํามาของสัตว์ปัจจุบันนี้พวกเราไม่มีใครล่าสัตว์แล้วมีไม่ไปซื้อไก่หนะ้าปักซอยเดี๋ยวขอไปล่าไก่แป๊บหนึง่งไปซื้อไก่เขาเชิดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปซื้อเนื้อวัวก็ไม่มีใครไปล่า ว, วัวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงเท่า น, นั้นเลยแต่ล่าเนี่ยจะเป็นสัตว์สัตว์ป่า ล่าเป็นสัตว์ป่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงไม่เด็กล่าแหมเราเลี้ยงวัวขายกุรบันอันนี้ไม่ใช่เราล่าสัตว์เราเอามาเลี้ยงนะซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงซึ่งจะจะต่างกันสัตว์ป่าก็จะมีลักษณะที่ดูร้ายนะครับเขาแยกกันนะระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่านั้นคําว่าล่าตรงนี้หมายถึงสัตว์ป่าสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติที่หากินเองนะ ตานลูห์ไอดีกุมวรีมาหูกุมได้แก่เรื่องการล่าสัตว์ที่มือของเขาสามารถจับได้อิมนนอบัสบอกที่มือจับได้ก็คือพวกสัตว์สัตว์ที่มันตัวเล็กๆอ่านกปา่าอะไรเงี้ยเดินมาไกลๆฟับจับอ่าแต่ถ้าใช้หอกวารีมาหูกุ้มใช้หอกอันนี้ต้องเป็นสัตว์สัตว์ใหญ่สัตว์เปรียว ต้องใช้อาวุธในการล่าถ้าสัตว์เป็นกระต่ายเป็นอะไรเงี้ยบางทีวางกับดักมาปุ๊บตะคุบฟับจับได้แล้วอบเอาตัวอย่างเลี้ยงละมัลอหูไม่ย่ออฟูหูบิลกอยบเพื่ออันนี้จุดประสงค์ที่เราทดสอบเพื่ออัลลอฮ์จ ะ, Allah จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระ อ, องค์โดยเขาไม่เห็นพระ อ, องค์โอ้โหพี่น้องประโยคน์ี้นะ บิลลอยแบบถ้าเราทาดีได้เฉพาะต่อหน้ามนุษย์แสดงว่าเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราทาดีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั่นแหละคือคนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอย่าล้อบ AH อกเลยนะถ้าไม่มีคนเห็นเขาก็ไม่ทำนะอัลละฮทดสอบตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องอะไร เรื่องของการล่าสัตว์ในขณะของเอียรอมเดี๋ยวเราจะบอกในอายะต่อไปนะเอาต่อมาฟมานตดาบะดซาลิกะฟะลาูอดาบุนอาลมและผู้ใดที่ละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับโทษอันเจ็บแสบคำถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าใครยำเกรงพระ อ, องค์รู้ครับแต่เราเนี่ยแหละไม่รู้ตัวเราเองน่ยไม่รู้ ตัวเราเดี๋ยไม่รู้ว่าตัวเราเดี๋ยวยำเกมมากแค่ไหนจึงต้องมีบททดสอบมาพิสูจน์อ إ ي م านของเราตัวเราเดี๋ยไม่รู้หรอกเราเร า, เราแค่พูดเท่านั้นแหละว่าเรา إيمانإيمان แต่ถ้าเกิดเจอบททดสอบจริงเนี่ยสถานการณ์มันจะบอกเราว่าเราเป็นอย่างที่เราพูดไหมเอออย่างที่ฉันบอกอะไอคนไม่เคยป่วยก็ไม่รู้มันเจ็บปวดขนาดไหนพอป่วยมาอ๋อดูแล้วอ๋อดิฉันสอบบัตรได้แอนะนั้นบททดสอบของแต่ละคนเนี่ย สิ่งหนึ่งให้เราเรียนรู้ถึงถ้าถ้ามันเป็นเรามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะเราจะทําได้อย่างเขาไหมคือเราเนี่ยวิจารณ์หนึ่งสองสามสี่เพราะมันไม่ได้เกิดกับเราไงมันเกิดคนอื่นแต่เราก็พูดได้ทํำไมไม่ทํางั้นแหละทามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะเป็นอย่างเขาไหมบางคนหนักกว่าเขาอีก <c oughs> บนหนักกว่าเขาอีกดังนั้นตรงนี้เองก็เป็นบทเรียนว่าบททดสอบอลัลลอฮ์จะส่งมาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเรานี่แหละ นะส่วนอัลลอ์รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ย إ ي م านแค่ไหนนะครับอ้าวต่อมายาอายุหะแลดีนอามานูอ่ะอัลลอ์เรียกอยีกแล้วนะโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอันนี้คำสั่งเลยลาตากาะตูล<ะ>ุสโซยดาอย่าล่าสัตว์ตอนนี้ก็คืออย่าฆ่านั่นแหละล่าก็คือเป็นการฆานอะอย่าได้ล่าสัตว์โดยที่พระเจ้าเนี่ยกำลังคองวอันตุมฮุรุมของเอีรอม เนี่ยมีคนถามแล้วของเยื่รอมคืออะไรอะ่ะของเยื่อรอมนี่มันเป็นเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องฮัตและก็อุ่มรอปกติเราไม่ได้คล้องกันอยู่บ้านเรกวันนี้มาเรียนหนังสือขอเยื่รอมอะไรเงี้ยไม่ ม, <c oughs> ไ ม, ม, มีไม่มีขอเยื่รอมไม่มีมาเรียนหนังสือไม่มีของเยื่รอมไปเดินห้างไม่มีของเยื่รอมมีเรื่องเดียวไปทําอุ่มระหรือไม่ก็ไปทําฮัตอืมปกติไม่ออกอยู่แล้วเรวก็ไม่นของเยื่รอมกัน อ่าไอ้ที่มาสอนของเยรอมก็ยังไม่คองจริงหรอกที่เอามาพันนั่นแหละแค่อะไรแค่สอนแต่ถึงเวลาจริงต้องไปรอที่นุ่นมีที่เดียวที่นุ่นบางคนบอกอาจารย์จะเห็นคนองจากบนเครื่องบินเลยนะคองที่สนามบินฉันเห็นเต็มเลยอันนั้นก็ยังไม่ได้คลองแค่ใส่ชุดเฉยใส่ชุดเยรอมแต่ยังไม่คองเพราะยังไม่ถึงมีกอดสถานที่ที่ให้คองไอ้นั่นแหะเปลี่ยนชุด นึกว่าคลองเยี่ยรอมแล้วมังคนยังไปคลองขบบนเครื่องเตรียมชุดไปเฉยเพราะเวลาถึงที่แล้เปลี่ยนชุดไม่ได้ก็เลยใส่ชุดไปก่อนเมืองไทยมีคลองเยี่รอมด้วยเหรออาจารย์ฉันเห็นคลองที่สุวรรณภูมิอ๋อไม่ใช่หรอกครับเขาใส่ชุดไปก่อนเดี๋ยวไปถึงซาอุดีผ่านมีก่อนเดี๋ยวค่อยเนียดตอนนั้นเออนั้นก็จะทําอะไรจะอะไรก็ว่ากันไปยังไม่เป็นข้อห้ามจะตัดเล็บจะถอนขนอัดไดอยู่นบนสนามบิ น, นยังไม่มีปัญหาหรอก แต่เมื่อคลองเ ย, ยรอรมเสร็จปั๊บข้อห้ามต่างๆของการขอเยอรอมมาทันทีเลยเมื่อไปถึงที่และเมื่อตหฮันล้นแล้วเนี่ยเราเราเปื้องผ้าตอนนั้นเลยไหมออกมาตอนพอแสแอพอสแอพอสแอครบเที่ยวปั๊บตัดผมตรงหน้าตรงนั้นปุ๊บป๊เราเปลี่ยนเสืออ้อเลยปะเปล่าเราไปเปลี่ยนที่โรงแรมแล้วก็เดินก็ตั้งนานก่็จะไปเปลี่ยนเสื้อเนี่ยไปคนอาบนองอาบน้ําอีก เ, อเพราะไอ้ น, นี่คือชุดแต่ของเยอรอมเนี่ยมัน สเสร็จแล้วจากการตะฮัลล์ล้นก็คือการตัดผมหรือการโกนศีสระแต่ชุดมันแค่ชุดเฉยอะไรนะผู้หญิงไม่มีข้อห้ามเรื่องเสื้อชุดขาวชุดดาใส่ได้หมดแหละชุดดําก็ได้ชุดขาวก็ได้แต่เหตุที่เขาใส่ชุดขาวเพราะว่าจําง่ายมึงเพราะว่าส่วนใหญ่อาดับเขาจะใส่ชุดดํากันผู้หญิงอะ่ะคือผู้หญิงเนี่ยให้ใส่สีทึบๆจริงๆไมใ่ใส่สี สีที่มันฉูดฉาดต้องระวังนิดนึงส่วนผู้ชายเนี่ยมีสีเดียวเลยสีขาวเยาะรอ ม, มีสีอื่นไหมไม่มีนะลายลุ้งมาเลยไม่มีนะเสียขาวอย่างเดียวผู้ชายสีขาวจะเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงก็สีดำนะครับเสื้อผ้าโดยปกติผู้หญิงใส่สีดำนะดีอยู่แล้วแต่ใส่สีขาวก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะอ่ะ ว่ามันก็ตาลาหูมินกุ้มมุตตาอัมมีดันใครที่ไปล่าสัตว์ในขณะที่คองเอีรอมที่ถือคองเอีรอมอยู่โดยตั้งใจคําว่าตั้งใจตรงนี้หมายถึงลืมด้วยนะทั้งลืมแล้วก็ตั้งใจเฟย์ยะอุ ม, มิสลูมาก็ตาละมี น, นันมีนันานามก็จะมีการยาะยะแปลว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย มีการชดเชยและผู้ใดที่ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไซ้การชดเชยเนี yeah. ่ยก็คือสัตว์ชนิดเดียวกันที่ถูกฆ่าจากปะสุสัตว์โดยที่มีผู้ยุติธรรมสองคนอ่า t าอัด a l i m Min g u um. มีผู้ยุติธรรมเนี่ยสองคนชี้ขาด มาตัดสินว่าจะใช้สัตว์อะไรในการแทนในฐานะที่เป็นสัตว์พรีที่ไปถึงกะถึงกาบาแล้วเวลาเสือดเขาเรียกดำนี่นะข้าปรับอันนี้ต้องไปเชือดที่มักกาอย่างเดียวดำนี่คือสัตว์ที่เชือดที่มักกะเอามาเชือดเมืองไทยไม่ได้ถ้าเชือดเมืองไทยไม่เรียกดำที่ว่าเสียดำสีดำเนี่ยเสียดำต้องเสียที่ไหนมักกาอย่างเดียวนะเสียที่อื่นไม่เรียกดำ เออต้องไปเชื่อที่นั่นหรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษกัฟฟารอตุนต่ออามมมาสกีนโดยการเลี้ยงอาหารแก่บรรดาคนยากจนขัดสนเอาหรือเท่าเทียมกันด้วยสิ่งนั้นคือราคานะแล้วก็อะไรอีกว่าอัดดลุ กซมะียดูก็ว่าอมริแล้วก็ให้มีการถือสินอดหรือสิ่งที่เท่าเทียมกันแล้วด้วยการถือสวดเพื่อให้เขาได้ริมนดแห่งผลภัยของการกระทาของเขาอัลลอฮฺอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วหมายถึงเรื่องที่ผิดพลาด อัลลอ์ให้อภัยแต่เงื่อนไขของการให้อภัยจะต้องไถ่โทษกับฟาระไถ่โทษด้วยวะมันอาเดะฟัยันตากิมุลลอหูมินหูและผู้ใดที่กลับไปกระทำอีกอัลลอฮ์ก็จะทรงลงโทษเขาต้องไม่มีการกระทำแบบซ้ำซากนะถ้าทำอีกก็โดนลงโทษอีกไม่ใช่ว่าพอจ่ายดำแล้วเสียค่าปรับแล้วทำโทษแล้วทำได้แล้ว แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องดำ ม, มามาล้อเล่นด้วยนะบางคนบอกฉันรวยเป็นไรอ่ะฉันก็ทำไปเถอะกี่ตัวแซคคิดมาสิบตัวก็คิดมาอันนี้ไม่ใช่นะเบื้องต้นคืออย่าทำถ้าทำไปแล้วมีวิธีแก้ไขไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทำเลยเออนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นบาปนะครับอันนี้มันเป็ น, ก, ปนการท้าทายเอาล้อไม่ได้ต้องพยายามอย่าสอย่าไปเสียดำบางคนนี่ไปถึงบอกอยเนี่ยเตรมเตม ต, งตังไปจ่ายดำนีต่ตั้งใจจะไปทาผิดเลยเหรอ เออมันไม่ใช่นะ อ, อตั้งกับเตรียมเอาไว้แต่ว่าให้มันเกิดข้อผิดพลาดจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเสียดำเพราะดำคือการอะไรฮะการคอดการไถ่โทษดำน เ, นนเนี่ยแปลว่าเลือนี่ยเลยก็คือการเชื้อสัตว์ทัดเ์ยอ่าวอลลฮูอาร์ซีรุนติกมแปลว่าอะไรครับแปลว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชาอุภาพและผู้ทรงลงโทษขาวนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็นสัตว์อื่นล่ะฆ่าได้ไหมน บ, บีบอกว่ามีสัตว์อยู่ห้าชนิดที่คนของเอียรอมก็ฆ่าได้หนึ่งก็คือคืออะไรเหยี่ยวนกกาแมงป่องหนูและก็สุนักที่อส่สุนักสุนัขหมานั่นแหละที่ชอบกัดผู้คนมีคนถามว่าแล้วงูล่ะงูเนี่ไม่ต้องถามเลย ฆ่าได้หมดแหละมันจะอยู่แผ่นดินไหนก็จะอยู่ในชุดไหนก็ฆ่าไดหมดพะ ง, งูนี่มันเป็นสัตว์มีพิษอ่าเมืางคนถามแล้วหมาป่าเสือดาวเสือสิงโตล่ะก็จัดอยู่ในสุนัขบ้าสุนัขที่มันไล่กัดนะครับพี่น้องต้องย้อนกลับไปเมื่อพันสี่ร้อยปีนะที่มันเป็นทุ่งหญ้าทุ่งมันมีสัตว์ที่เป็นสัตว์ล่าอยู่อ่าขอโทษที่เป็นสัตว์ป่าอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีทางได้เจอหรอก เป็นตึกมาทั้งหมดและไก่ที่เรามากินเนี่ยเขาก็เอาแช่แข็งมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาทำกับข้าวไม่มีใครไปล่าแล้วตอนนี้แพะที่นำมาทั้งหมดก็นำเข้ามาเป็นล้านตัวในช่วงช่วงฮัทเนี่ยแ พ, แพะเป็นล้านล้านนำเข้ามาเพื่อมาให้คนที่ทำฮัทเนี่ยเสียดานะอ่าแล้วก็ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ล่าแต่เราให้คนอื่นไปล่ามาให้เราได้ไหมมีคนถาม คำตอบก็คือไม่ได้เหมือนกันนะสมมุติมันมีสัตว์ป่าอยู่เราเล็งแล้วไอ้กวางตัวเนี้ยมันวิ่งอยู่เราคองเอีรอมโอ้ยฆ่าไม่ได้กีเพราะอัลลอฮ์ห้ามแต่มันมีคนที่ไม่ได้คองเอีรอมนี่อยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในแ s e เราไม่ได้คองเอีรอมมาเฮ้ยเอาหน่อยใช้มันให้ไปล่าไปล่าเสร็จก็มากินด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าห้ามเหมือนกันในฮิญาบอิสลามเรานี่กันไม่หมดนะแต่สมมุติ เราคองเยรอมไปไปพักบ้านเพื่อนเราไอ้เพื่อนเนาเนี่ยมันไปล่ากวางแล้วมันก็ามากินของมันนั่นแหละแล้วเขาก็เอากวางนั้นนมาเลี้ยงเราอันนี้นบีบอกกินได้เพราะท่านไม่มีส่วนร่วมในการล่าของเขาเขาล่าของเขาเองแล้วเขาก็เอามาเป็นอาหารของเขาและเราไปหาเขาไปเยี่ยมเขาเราคองเยรอมอยู่กินกวางตัวนั้นได้เห็นไหมเนี่ยในตำซีดเขียนละเอียดหมดเลย และตรงนี้ที่บอกอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยทดสอบอยังไง ร, รู้ไหมช่วงที่ครองเอียรอมตั้งแต่เดินทางจากมาดินาไปมะ ก, กาเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่สัตว์ป่าเนี่ยมันชุมแล้วเกินมันมาหามันเชื่องกระต่ายวิ่งเข้ามาหานกกระบินมาหาพูดง่ายๆว่าจับได้เลยจับเอามาเชื่อได้เลยนี่แหละอัลลอฮ์ลงนลงไกย์กูดานมาว่าเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบอยู่ไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะแค่แค่เดินมากระจับได้เลยเพราะมันเข้ามาหาเลยสัตว์ป่า แล้วก็มีซอบาบางคนแพ้ภยัยคนนี้ก็ไปจับมาเอาล็อก็ลงอายกุรุารมาว่าเนี่ยห้ามนะและเมื่อจับมาแล้วก็มีการตัดสินให้เสียค่าไทยค่าปรับนะครับอ่าส่วนรายละเอียดว่ากันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยากที่จะเกิดขึ้นมีรายละเอียดหมดเลยต้องบวชกี่วันกี่วันหรือซื่อดกี่วันถ้าเป็นนกกระจอกเทศล่ะต้องจ่ายเป็นอะไรเพราะนกกระจอกเทศมันไม่มีกุรบัลอยู่แล้วต้องเทียบนกกระจอกเทศเท่ากับอูดอะไรเงี้ย อ่ะกวางไปเท่ากับแพะอะไรประมาณนี้ถ้ากวางตัวใหญ่เท่ากับวัวเขาก็จะเป็นการเทียบสัตว์ป่ากับสัตว์ที่เป็นปสัสสตว์นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่า อ, อ, อันนี้จะเป็นเรื่องคุกกลมรายละเอียดนะครับแล้วอ่านต่อนะ96 97 َหิََะคุม صيد ُ البحر َِ وطعامه َََُ متاع َ لكم والسيارة َّ อ yeah. ่าบะนะตานะบะบร์เป <pad> ่าทะเลบะไซดุลบร์บารีอามนะอุฮ <s Edison> ัลลัลกุมไซดุล بحر و อีกรอบนึ่ง Uphill ละคุม ص ي ดุลบาฮริวะตัองามุห์มตาอัลละคุมวะลิสซียาระ เล้วอันนึงนะอายะต่อมาอ่ะวต่อมาว่าฮู ร, รีมาเลอิคุมไซดุลบ ร, รีมาดุมตุมหรมาอ่าพี่น้องจะเห็นข้างบนนะบารี อันนี้บาร์รีเห็นไหมบาร์รีกับบาร์รีความหมายคนละอันกันเลยอันบนนี่สัตว์ทะเลสัตว์น้ำอีกอันนึงสัตว์บกนะแต่เสียงเหมือนกันเลยคล้ายกันบาร์ตัวหาบาร์รีบาร์รีไอ้รอบหนึง่ง و ่ ر รีมา عليكم صيد البر ิม ا ดุมตุมฮ ا ร์มาวัดตะว ذ นหล้าหลังที่อิเ จะลัลลาห์อัลกับต์อัลเบียต์อัลฮารามักยาหมัลลินัส อีกรอบหนึ่งจะเลْาหลักุลกาบตะเบียตะฮ ARAMقياسالناس والشهر الحرام والهد والقائد อ่าตรงนี้นะวัชชะร์ลฮารามา والهد ตัวดานนะวัลฮ a ดย a วัลฮ a ดย a อ่ a บางทีเราพอมันมียาเข้าไปใกล้เราก็ไม่มีเสียงสะท้อน walhadya wal walhadya wal q a l i ด, ห ด, ดเห็นไหมอีกรอบหนึ่ง والشهر الحرام والهدى والقائد ด وال م มาก ذَلِكَ ل ِ ت َ ع ْ ل َ م ُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ا وَمَا فِي الْأَرْضِ ยังจะมีต่ออยเหรอมีลมเหลือเหรออ่ะอดีตนะยะแล้วมูมาฟิสซามาวาตีวามาไม่ใช่ติน้นติ้นอาร์นาะมีวามาฟิลอาร์วามาฟิลอาร์อีกอันนึง่งดูให้ดีนะอีกรอบนึง ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض วَาอัลลอฮ์บีคุลไซอินอาลีมสองตัวนะตัวฮัม a กับตัวอีนบีไซอินอาอินอาอ่อแยกตัวกัน وأن ََّ الله َ بكل ُِ شيء عليم شَيْءٍ ع ل م أن ََ الله شديد َ العقاب ของกีมีสระกให้ไปตัวอาริบสลากใสใช่ไหมอ่าถ้าเป็นในมุสซาบของซาอุดีไม่มีใส่ข้างหน้านะสระตัวข้างหน้าจะไม่ใส่อ่าบางคนก็ไปนั่งงมจะเอะจะอะจะอูะอ่แต่ถ้าเป็นของอินเดียเนี่ยอ่าของฮัตยาเนี่ยไม่มีใส่อ่ะฮัตยาใช้ของซาอุดีอ่าของซาอุดีมีใส่ไหมข้างหน้าไม่มี เขาถึงบอกว่าข้อดีของมุสฮับของอินเดียเนี่ยเขาใส่ให้เลยเขาใส่ครบอ่านั้นบางคนเนี่ยทำไมทําไมเวลาไปไปเปิดกุฎอ่านที่ซาอุดีอ่านไม่ได้เพราะว่าเราอ่านขออินเดียมาตลอดนะเนี่ยของฉันเนี่ยไม่มีใสอ่าอีอ่านว่าอีฮัมซาอยู่ข้างล่างนะอีอลาโมไม่ใช่ อ, อลาโมนะเ อ, อละลาโมแต่่านยากนิด น, นึง เพราะมันเป็นเสียงฮัมซาไปเข้าไปที่อีนบางคนแอะเป็นแอะไปเลยมีถ้าเราไม่ระวังเป็นแอะเลยไม่ใช่แออีออีอสละอีมันต้องแบปากบี้ปากอีอีละมูอีละมูอีรอบหนึ่งอีละมูอัน allah شديد العقب وأن َ الله غفور رحيم وأن الله غفور رحيم ِ มาอลาะรัสูลีอัลลาลเบลลัลตัวเกนะบลลัลบลลัลเห็นไหมยามกันนะตัวตัวกตัวเกนซึ่งตัวเกนพี่น้องครับไม่มีภาษาไทย ไม่มีอักษรภาษาไทยเสียงนี้ไม่มีอนั้นไปเขียนเป็นภาษาไทยคาราโอเกะอ่านไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตัวตัวก้อไม่มีภาษาไทยเทียบเป็นตัวภาษาหรับนะต้องเรียนโดยใช้ตัวของภาษาหรับบลับลละบัลละมาอะลรรุสุลีอลบัลละ والله ยาแกลมว่าตบดูนว่มาตักตุมอ่ามาดูความหมายอูฮิลฮุริมาตรงกันข้ามฮารอมกับ ฮาลัลของตรงข้ามน ะ, ะถ้าฮาลานก็ไม่หารอมถ้ามันหารอมมันก็ไม่ฮาลานของตรงข้ามกันอ้าวอยายะนี้บอกถึงสิ่งที่ให้แหละแปลว่าอนุมัติฮาลานความหมายของมันก็คืออนุมัติอนุญาตหารอมแปลว่าแปลว่าอะไรต้องห้าม อ, อนุญาตกับต้องห้าม เราใช้จนกระทั่งชินเฮ้ยของมันหาล้านแปลว่าของนี่อนุญาตอนุมัติบางครั้งเนี่ยมันจะของเป็นการขอสิทธิ์กันนะเสมอุิของไปเข้าไปห้องน้ําเพื่อนเข้าไปห้องน้ําเพื่อนเรากาจะขอโทษที่อาจจะ อ, อือย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยคันหน้าล้างหน้ามีเห็นมีโฟมมีอะไรอยู่มีแปง้งสีฟันไฟสีฟันอย่าไปยุ่งเขาพกแปดไปอาจจะมีสบงสบู่ล้างมือ แล้วก็ต้องไปบอกบ้างเดี๋ยวผมจะล้างหน้าล้างอะไรด้วยโอ้ยอาจารย์ฮาลานฮาลานเข้าไปเลยออาฮาล้านตรงนี้ก็หมายถึงยกอนุมัติให้ใช้ได้เลยมันฮาล้านไม่ได้หมายของในนั้นมีนของฮารอมไม่ใช่นะหมายโดยปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะไม่ใช้เข้าได้เพราะาเขามีเจ้าของแต่พระบอกว่าบนโต๊ะเนี่ยฮาล้านทั้งหมดแปลว่าอะไรกินได้เลย ท, ทั้งทั้ดีของมันก็ฮาล้านของมันนะแต่มันมันจะฮารอมตรงดีไม่ขอเขานี่แหละ หนูแม่มันหรอมเพราะไม่ขอไม่ใช่ตัวมันไม่ฮอาจารย์มันจะไปห่อมได้ไรนี่น้ปังทั้งนั้นเนี่ยน้ปังพิซซ่ากําขอเขาเอยียงล่ะสุว่เราไปเดินที่เจอที่นึงยกยกอาหารไปใช่ไหมจะไปกินงานสุราวด์กันเด็ดโอ้มีโต๊ะหนึ่งเขาวางของไว้เต็มเลยโอ้ดีจังเลยสงสัยเจ้าภาพเตรียมให้เราไปกินเขาพอขับไปทีอา้าวถอยทอดฉันหายไปแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชสแสดงว่ามีเจ้าของแต่เขาอาจจะลุกไปไหนต่อไหนเดี๋ยวเขากลับมากิน อแต่ถ้าเขาเตรียมไว้ให้แล้วเดินมาโอ้ยโต๊ะนี้ฮา้านเตรียมไว้ให้แล้วอ่าแสดงว่านี่เขาให้เรากินได้ะก็เหมือนงานแต่งนั่นแหละอยูอ่ดีไปถึงเขาไปนั่งกินเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาเชิญไปกินนะครับอา้าคําว่าฮารานก็แปลว่าอนุญาตอนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องใช้สิทธิ์เดินผ่านทางเฮ้ยฮารานันเดินผ่านได้เลยเอขออนุญาตอู่เฮลเล่และกุ้มซอยดุลบารี อ่าได้ถูกอนุมัติแก่ผู้เจ้าซึ่งการล่าสัตว์ในทะเลถ้าเกิดคลองเอียรอมกันและต้องผ่านทะเลอ่าไม่รู้นะมันมีขนทางผ่านทะเลเปล่าฉันก็ยังนึกยุ่มมันมีผ่านทะเลไหมเออเอาแหละในกุฎอ่านว่าถ้าผ่านทะเลตกปลาได้วางอวนได้ไม่ถือว่า ผิดข้อห้ามเพราะที่ห้ามห้ามเฉพาะสัตว์บกแต่สัตว์ทะเลไม่ห้ามนะอ่ะต่อมาแล้วก็อาหารทะเลด้วยต่ออามูฮูสัตว์ทะเลล่าสัตว์ในทะเลแล้วก็อาหารทะเลนี่ไงอาหารทะเลเป็นที่อนุญาตซีฟูด้ดกินได้หมดนะมาตาลและกุม้มเพราะอัลลอฮ์ให้ ซีฟู้ดเนี่ยอาหารทะเลนเนี่ยนะเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ต้องบอกกับพี่น้องสำหรับคนที่ทานได้นะบางคนทานไม่ได้กินปั๊บผืนขึ้นวันก่อนมีคนเขาจะเลี้ยงกุ้งอาจารย์กินกุ้งได้ไ้ยเนี่ยโอ้โหชอบสิเอามาเลยกินปูได้ไั้ยิ่งชอบใหญ่เลยเอา้าวทำไมไม่ค่อยซื้อกินเองล่ะอ๋อมันแพงงงไหม มันแพ้เวลาเราซื้อเองมันจะแพ้ยิงมังกรกุ้งมังกรนี่ไม่ได้แตะแล้วหรอกโอ้โหตัวเราเป็นพันอ o เตอร์นี่ตัวสองพันห้าพันหกพันเอาเลยตามสบายเรากินแค่นี้แหละกลุ้งตัวเล็กพออกินกุ้งกุ้งฝอยเอ อ, อจริงจริงส้มตำเนี่ยถ้าใส่กุ้งตัวเล็กกินมาอร่อยถ้ากุ้งตัวใหญ่ๆนะอุ้ยกินมัน กุงมันมันม น, นี่พูดเดินของกินอีกแล้วอ้าวอัลลอฮให้ซีฟู้ดมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกงั้นเต็มที่นะกินของทะเลไม่ต้องห่วงเอออันนี้ทานได้แต่ว่านิดนหนึ่งบางคนเนี่ยพอไม่ใช่มุสลิมไปกินอาหารทะเลเขาบอกเนี่ยมันเป็นอะไรซีฟู้ดกินได้หมดแต่คขาต้องไปดูบริบทด้วยเช่นในร้านนั้นเขาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียบางคนไปนั่งกินร้านอาหารซีฟูด้ดแต่ในร้านมีเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียได้ปะไม่ได้นะ แม้ว่าเราจะกินซีฟูด้ดแต่เหล้าเบียร์อยู่รอบๆตัวเราหมดเลย<ต>คือาอาาถ่ถ้าใส่รถ ถ, ร ถ, ถ้าใส่รถดีซึ่งเป็นรถหมูไม่ฮาลานอีกเห็นไหมนั้นพกน้ำจิ้มไปทาเองทำเองเองั้นซีฟู้ดเนี่ยตัวของมันฮาลานแต่น้ำจิ้มต้องถามนี่ดี ถามไนดะ้ไม่เป็นไร เ, นเออจิ้มเป็นยังไงบ้างโ อ, อ, อไม่เป็นไร <c oughs> อะก็ให้เรามาระวังแล้วกันนะดีมากคะยาบอกน้ําจิ้มเขาใส่รสดีอดีมากครับอ้าวลิสซิยาโร่แปลว่าอะไรสําหรับไม่ใช่อนิีซายาร์นี่แปลว่ารถนะแปลว่าทำไมเปิดแปลว่ารถตรงนี้ไปถึงเดินทางสําหรับคนเดินทาง อว่าฮุรุมว่าฮุริมะ عليكم سيد البار ما دمتم هورمة และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์บกการล่าสัตบกตราบใดที่พวกเจ้ายังคองเอี่รอมอยู่แต่ถ้าไม่คลองเอี่รอมก็ล่าได้ไม่มีปัญหาจงยำเกรงกอล้อเถิดพวกเจ้านั้นถูกรวบรวมเทียร์ล้อบอกกันนะวัตะคุลอัลลัี อันลดีอีไลที่ตัวฉรุนตามมาตัวฉรุนหมายถึงว่าเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ถูกรวบรวมเอาไว้ขออนุ ญ, ญาตนําเสนอข้อดีบทหนึง่งอิหมัมมาลิกได้ไรายงานจากยาบิดบินอับดิน ล, ละได้กล่าวว่าท่านรอซูลสละลอฮวาเลวซันลำเนี่ยส่งซอฮบะไปกลุ่มหนึ่งซึ่งส่งไปทางชายทะเลชายทะเลก็อยู่แถวทะเลแดงนั่นแหละ จิด้าก็มีทะเลนะแล้วก็ให้อบูไบดะอิบนุอัจรอเป็นหัวหน้ากลุ่มพี่น้องจำเลยนะเวลานาบีจะส่งใครไปจะตั้งหัวหน้าเพราะการเดินทางที่ไม่มีบรารักัดคือการเดินทางที่ไม่ตั้งหัวหน้าเวลาเราจะไปเที่ยวไหนก็นแล้วแต่เนี่ยไปกันจะมาเนี่ยให้ตั้งหัวหน้าด้วยเป็นบรารักัดเป็นความจำเริญมีหัวหน้าไว้เวลาเกิดปัญหาอะไรให้หัวหน้าเขาได้ตัดสินอ่า ฉันยังเป็นหัวหน้าตลอดเพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนอ๋อถ้าหัวหน้าต้องจ่ายเป็นที่เป็นลูกน้องดีกว่าไม่เคียวหัวหน้าต้องจ่ายอมิดอามิดถูกต้องเรื่องนี้นะจริงๆต้องมีอามิดเวลาเดินทางต้องมีอามิดมีผู้นำและผู้นำก็ต้องมีคุณสมบัตินะครับไม่ใช่ว่าตั้งตะสีตาสานะส่วนใหญ่อามิดมีตังครับคนออกตังนอามิดเ อบูไบด้าจะรอเป็นหัวหน้ากลุ่มโดยในกลุ่มก็มีจํานวนสามร้อยคนไม่ใช่ธรรมดานะสามร้อยคนเยอะนะซึ่งฉันเป็นหนึ่งในนั้นใครอ่ะจาบิดบินอับดิลลาเขาเล่าว่าพอเราเนี่ยเดินทางออกมาจนกระทั่งอยู่ระหว่างทางและวสเบียงของเราก็ร่อยรอแล้วอบับูไบด้าก็ตรวจให้เอาสเบียงทุกคนเก็บมาพวกคนก็พกสเบียงมาคราวนี้อบูไบด้าเป็นหัวหน้าหัวหน้าบอกแล้วแต่ละคนเนี่ยกินไม่เท่ากันหรอกบางคน กินน้อยสเบียงก็เหลือเยอะบางคนเนี่ยตั้งแต่ออกมาได้วันเดียวก็หมดแล้วกินหมดเลยสเบียงแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสั่งให้ทุกคนเอาสเบียงที่เหลือมารวมกันเพื่อที่จะเวลาจะกินจะได้เห็นใจกันออกมาเหลือแค่นี้เพราะจะต่างคนต่างกินเอาสเบียงของมันก็ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นี่ความฉลาดของหัวหน้าเอาสเบียงทุกคนที่เหลืออยู่เนี่ยเอามากองรวมกันและดูซิว่า เราจะกินได้เท่าไรอาจจะเหลือให้เรากินเท่าไรเหลือประกันเหลืออินทผลัมเนี่ยสองถังเหลืออินทผลัมสองถังสามร้อยคนนะเหลือสองถังคิดดูอบูไบดา้าแบ่งสเสบียงให้ประทังชีวิตนะเขาเรียกว่าให้กินรู้ไหมเท่าไหร่กินอินทผลัมวันละเม็ดโอ้โหของฉันเนี่ยยังง่ายก็่าไม่พิมไม่อิ่มเม็ดเดียวเนี่ย วัลลามิทสามร้อยคนรับวัลลามริรคือมันจะไม่มีสเสบียงแล้วอะ่ะแล้วเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆบางคนก็เริ่มเสียสลายอย่างฉันเนี่ยอ้วนๆเนี่ยเอาไขมันอ่อนเอาไปคนนี้ผอมเอาไปกินก่อนตอนแรกก็แบ่งหลายเม็ดอยู่จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเหลือวลลมิทขอโทษทีเหลือวลอททลามิทแล้ฉันกล่าวว่าผล่ในสภาลมเนี่ยหนึ่งเม็ดไม่เพียงพอแน่นอนอยาบิดบอกกินวันลลามิทเนี่ยไม่รอด ดูท่าแล้วอดตายแน่แล้วเราก็พบว่ามันไม่มีอาหารอะไรเลยหมดแล้ววันสุดท้ายหมดแล้วเขาแล้วว่าด้วยความหิวแล้วก็เดินเลาะไปทางทะเลปรากฏว่าไปเจอวานอยู่ตัวหนึ่งนอนเกยตื้นอยู่ปลาวานตัวใหญ่เป็นวานนอนเกยตื้นอยู่ที่ฉะเลบรรดาทหารสามร้อยคนก็ได้กินปลาตัวนั้นแหละในซอบ้ากินปลาวาน กินประวานกันเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดสิบปดคืนแล่ประวานแล้วก็ทําตากแดดตากเค็มฉันก็ไม่รู้เลยจนกระทั่งมันเหลือแต่กระดูกมันก็เห็นกระดูกหวานไหมในรายงานบอกว่าวันที่สิบปดเนี่ยกินแล้วก็เก็บกินแล้วก็เก็บเพราะว่ามันต้องเขามีวิธีแหละฉันก็ไม่รู้สมัยก่อนเน่ยเขาเด็กการถนอมอาหารน่ะเราก็ทําปลาเค็มทําอะไรเงี้ยทําตากแห้งตากแดดให้มันสามารถเอาไปกินได้ด้วย จนกระทั่งเหลือโครงกระดูกเขาบอกว่าพาหาน่เนี่ยเดินผ่านในตรงโค้งมันเนี่ยเดินผ่านสบายเลยม้าอูดเนี่ยเดินผ่านในตรงกลางของโค้งมันเน่ยสบายแสดงความใหญ่ของมันนี่ไม่ธรรมดานะก็กินสิบแปดวันน่ะปลาตัวบอเรอร์สามร้อยคนแอบแสดงว่าปลาเนี่ตัวใหญ่มากทีเดียวหนังสือนี้บันทึกโดยอิหมัมโมวัตในอิหมัมมาลิกในหนังสือมุฮัตตะเรื่องกินประวานกินปลาปลาจะใหญ่ขนาดไหนกินได้หมด ถ้าเป็นสัตว์ทะเลเอาล็อลห้ามเออเอาล็อลอนุมัติหมดเลยเปาวานแม้กระทั่งวานจริงๆมันไม่ใช่ปลานะมันเป็นมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มันอยู่ในทะเลเขาเด็กนั่นแหละก็เป็นวานเขากินได้หมดอยู่ในทะเลอาศัยในทะเลกินได้หมดพยงพยูนแต่อย่าไปกินนะติดติคุกพยูนเนี่ยไม่ได้สัตว์สงวนแต่วานเนี่ยกินได้โลมากินได้หมดแหละเพราะอยู่ในทะเลแหมอ้าวอีกที่หนึงก็เล่าถึงเรื่องของกินอาหารทะเลไม่มีอะไรละ เรงอาหารทะเลนะครับอา้าวต่อมานะยะละลอฮุลกาบะไบต์ลฮารอมกิ亚马ลินสัสอัลลอฮ์ได้ทรงให้อลกาบะอัลกาบะรู้จักนะอาคารสี่เหลี่ยมที่อยู่ที่มักกะเป็นบ้านที่ต้องห้ามและเป็นที่ดํารงอยู่สําหรับมนุษย์ วัช่าร่อฮรอมและอัลลอ์ก็ได้กาหนดเดือนฮรมเดือนฮารามเดือนฮรอมเดือนฮรามมีกี่เดือนสเดือนหนึ่งในนั้นก็คือเดือนเดือนฮัดด้วยเดือนฮัดก็เดือนฮารามเดือนตั้งแต่ซุนกอเดะซุนฮิจ์แล้วก็มุฮัรมออันหนึ่งอะไรรอับปะรอับอนหนึ่งสเดือนสเดือนติดอีเดือนหนึ่งแยกออกไปสี่เดือนเดือนต้องห้าม อโลอก่กำหนดกาบาอโล่ก็กำหนดพราอมันเป็นทองกาบาคือเขตเขตกล้องห้ามทั้งหมดไงเข้าไปในเขตทารอมไม่ใช่ไม่ต้องเข้าไปในทารอมเนี่ยไม่ใช่วซลูเ ร, รานะเข้าไปในแผ่นดินทารอมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเขตต้องห้ามแล้วเอาต่อมาแล้วอโลออก่กำหนดอะไรอีกอลัดดอลฮะเ ด, ดยอัลฮะเดยแปลว่าสัตว์พรีอลัลฮะ ด, ดยียวัลกอลาอิดสัตว์ที่สวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นการพรีด้วย เขาจะมีการทําสั ญ, ญลักษณ์สัตว์ที่เอามาเชื่อดินระหว่างทางกับสัตว์ที่จงไปเพื่อเอาไว้เสียดํา mm hmm. ก็จะมีการทําสั ญ, ญลักษณ์ต่างกันเพราะไอสัสตว์ที่เอาไปไปเชือ ด, ดำเนี่ยมันเชือดระหว่างทางไม่ได้มันต้องไปเชื่อที่ไหนที่มักการนุ่นนะอ้าวต่อมานั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้รับรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและในแผ่นดินอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดนี่คือความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่กาหนดเดือนต่างๆสถานที่ให้มีความพิเศษนะวะอัลลอฮะบิขุลีชัยนารีมความรู้ของอัลลอฮ์นั้นรอบรู้ทุกสรรพสิ่งอัลลอฮ์บอกต่อว่าเอะเลมูอันนัลลอฮะชะดีดุลไอกอบพึงทราบเถิดให้รู้ให้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงในการลงโทษอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษแล้วเราบอกต่อว่า <c oughs> ว่าวาอะไรว่อัลลอฮะก่ฟูรุรอหีมและพระองค์นั้นยังเป็นผู้ทรงอภัยและทรงเมตตาเออคือเราเนี่ยอย่าคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวสมมุติเราไปเห็นคนมันทำชั่วไม่เป็นไรเราอัลลอฮ์เมตตา ตกลงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเลยหรออัลลอฮ์เมตตาเนคนดีคนทําความดีแต่คนชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษไอบ้บางคนเนี่ยมันไปมองโลกสวยอย่างเดียวคืออะไรเฮ้ยอัลลอฮ์ทรงเมตตาทําชั่วไปเฮ้ยอัลลอฮ์เมตตาเฮ้ยมึงตกลงมั น, นมันใช่เรื่องถูกกับเรื่องไหมเนี่ยนี่อ่านอายะนี้เขาฟังด้วยว่ารู้ไว้เถิดอัลลอฮ์พู้ทรงรุนแรงในการลงโทษให้มันกลัวบาปไม่ใช่อัลลอฮ์เมตตาอย่างเดียวเลยเออารอะอลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตาคนทําความดี และคนที่กลับเนื้อกับตัวไม่ใช่คนทําชั่วอัลลอฮฺเมตตาทําชั่วอัลลอฮฺไม่เมตานะทําชั่วอัลลอฮฺลงโทษแต่ถ้ากลับเนื้อกับตัวอัลลอฮฺเมตตาให้อภัยเออใช่มันถูกเรื่องไอ้นี่ก็ไม่ยอมเลิกทำความชั่วสักทีพ่อใดพ่ออัลลอฮฺเมตตา <c oughs> ไม่มีใช่อัลลอฮฺผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตานั้นคนทำความดีอัลลอฮฺเมตตาคนที่กลับเนื้อกับตัวอัลลอฮฺให้อภัยอ้าวต่อมา ล ล, ลลอฮูญอินและบาเลกแปลว่าอะไรหน้าที่ของศาสนะทูตนั้นไม่ใช่อื่นใด น, นอกจากการบาลักตับลีกภาษาอว่าตับลีกนะเผยแพ่ตับลีกตับลีกแปลว่าอะไ ร, ร, ร, ร, ไ ป, ไรประกาศให้ทราบบอกเตือนและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ในสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยและสิ่งที่ปกปิดเอาไว้นะ ก็ไม่มีอะไรต้องชร้องแล้วนะก็ Allah, อัลลอฮ์อัลล์ให้นบีมาบอกหมดแล้วนะครับมันมีคำถามหนึง่งคำถามของคนที่ไม่รู้การไม่รู้ของคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ด้วยกับอิสลามไปไม่ถึงหรือไม่รู้เพราะไม่เรียนเนี่ยคำถามนี่แหละ เราไปเห็นคนหนึ่งมันทําสมมติมันไปใส่ทองสมมติไปใส่ทองเดินตลาดนัดมึงยีใส่หมวกด้วยใส่ทองเฮ้ยยีทําไมใส่ทองล่ะล้อห้ามนะอุ้ยไม่รู้อ๋อไม่รู้เนี่ยหมายถึงว่าอิสลามไปไม่ถึงมึงยีมึงยีอยู่ในเผ่าไหนก็ไม่รู้อยู่ในเกาะหรือว่าไงแล้วมึงยีไม่เรียนไม่รู้เพราะอะไรไม่เรียนไม่ใช่ไม่รู้เพราะอิสลามไปไม่ถึงดังนั้นข้ออ้างแบบนี้เอามาอ้างในการผ่อนปนเรื่องการลงโทษจะล็อกไม่ได้นะครับ ถ้าบอกว่าไม่รู้ต้องถามต่อไม่รู้เพราะไม่เรียนไม่รู้หรือว่าอิสลามไปไม่ถึงถ้าอิสลามไปไม่ถึงจริงๆอันเนี้เราไม่ลงโทษนะดงนั้นทุกวันนี้มันไม่ใช่อิสลามไปไม่ถึงเพราะมันไม่เรียนอพราะไม่เรียนก็โดนครับอ้าวต่อมาอายะที่หนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งรอยหนึ่งร้อยสองกุลลัยสต์วิลขอบิธุวั طيب و เล ل อกจะ و ักแค่รัตุขับีธดีมากเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฟ อ ق ا ل ล ه يا ั و ล الألباب ل ع ل อ้รอบหนึ่งนะ ฟัต ق الله يا أول ِ ل أ ل ب ا ب ل َ ع ل ك م تفلحون يا เ ي เ ا ห์เ ذ ล ي ن ที م นั่น ا ل ม ا عن แ ش ي ا ต إ ินทุบดัลَุมทัสุกุมอิน ك ุบด و ลกุม أل ุอันฮ حين ينزل القرآنو تب د ل ك م عاف الله عنها والله غفور حليم ขอบคุณ ก็ أ َ ل َ ه ล ا ق َ و ْ م มุมม ن ق َ ب ل ุคุมทุ่ม ب َอُ و บ ب ِ ه บ ا ك َก ف ฟ ر ِ ي ن َ อีกครั้งนึ่งนะก็ดเดาลาห์มุมมิบลิกุมทุมมาอับบาฮู b i h a ก a f i จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าลายสตวีซาวาตรงนี้แปลว่าเท่ากันลายสตวีก็คือไม่เท่าเทียมกันไม่เท่ากันนะไม่เท่าเทียมกันนะอะไรอ่ะอัลคบีสอัลคบีสแปลว่าสิ่งสิ่งเลวสิ่งสกปรกสิ่งโสมมแปลได้หมดอะของไม่ดีอะแล้วก็อัลตอยยิบอตอยยิบแปลว่าของของดี สิ่งดีๆต่อยิบดีของไม่ดีกับของดีของเลวกับของดีเออเอาแยกกันดิขอบีสอา่าอย่างสมมุติแต่แปลเป็นอาหารก็อาหารที่มันหอมต่อยิบกับอาหารที่เน่าที่บูดเอ้ยกมาสองอันใครจะกินยกมาหนอนขึ้นมาด้วยสมมตุติโอ้โหขอบีส เนื้อที่มันเน่ากับเนื้อที่ปรุงสุกหอมต่างกันไหมต่างกันเลยคนละอารมณ์เลยแต่เนี่ยเราจะแยกออกเพราะว่ามันนับสุ่เราไม่นับอของเน่าเนี่ยเรานุ้่เราไม่นับไม่ชอบหรอกแต่ของสดของใหม่ของปรุงสุกชอบนะแต่เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการกระทําด้วยครับการกระทาที่มันชั่วช้าที่มันเร็วว่าราอาจจะบากัสโรตุลขอบ แม้ว่าแม้ว่าอะไรแม้ว่าความมากมายกัสร์แปลว่ากซิบแปลว่าความมากมายเนี่ยไอของที่ไม่ดีมันจะเกลื่อนมันจะเยอะมันจะมากมายก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอของดีเนี่ยจะไม่มีใครทำเราจะอุ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำกันหมดอย่างสมมตินะเราเข้าไปในเมืองหนึ่งที่เขาแต่งตัวโ ป, โป้สมมติผู้หญิงเนี่ยเ็าแต่งตัว บีกินี่ใส่อะไรเงี้ยแล้วมุสลิม้าไปที่ประเทศไปที่นั่นไปกับสามีอ่ามุสลิม้าคนนั้นก็จะอ้างกับสามีแบอบกว่าบ้างเขาแต่งกันแบบนี้กันหมดเลยเห็นไหมเราก็แต่งแบบนี้สปิดเป็นนินจาไปแต่เาก็หาว่าเราแปลกกับคนอื่นก็้วสิปิดหน้าปิดตาไปคุมหัวไปเราต้องโชว์แบบเขาบ้างเอออัลลอฮ์เตือนแบอบกว่าความชั่วยังไงมันก็คือความชั่วมันไม่ได้ถูก ทำให้มันหาล้านได้เหรือเป็นขึ้มนมาได้แม้ว่าความชั่วนั้นมันจะเกลื่อนเมืองก็ตามมันจะเยอะไปหมดเมือเรื่องอะไรดอกบีย้ยเอวยินเหล้าเมายาเอวยะเกยตุ๊ดแถวมันจะเยอะเกิืนเมืองขนาดไหนขอมอัพนะมันก็ไม่ได้ทําให้อะไรของดีเนี่ยมันเป็นที่ต้องยกเลิกไปหรือไอของที่มันเน่าเหม็นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเนี่ยสมมตินคนบอกว่าเอ้ย เป็นตุดเป็นกระเทยไม่ได้เสียหายอะไรแต่อิสลามบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของความผิดเราจะบอกว่าเขาเป็นกันทั้งนั้นเหลกป็นกันเยอะไม่ได้ฟัตตักุลลออัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะนะจงยำเกรงต่ออัลล์เร า, าอาจจบประกาการสรตุนขอบิสแม้ว่าความมากมายของความชั่วนั้นขอโทษทีความมากมายของสิ่งที่ชั่วนั้นจะทำให้เจ้าพอใจก็ตาม เออไอความชั่วเนี่ยมันนํามาซึ่งความพอใจ อ, อ่ยกนึกออกไหมอา้อาวอันนี้ก็ได้เอาเรื่องเงินเงินสินบาทค่าสินบนการการโคดโกงอะไรเงี้ยอุ้ยมันก้อนมันใหญ่นะเออก้อนมันใหญ่นะมันก็เราก็พอใจอนะ่ะเพราะว่ามันก้อนมันใหญ่เราดีเราก็ดีใจแต่มันก็คือความชั่วเราก็ต้องปฏิเสธให้ได้ อ, อ่บางคนบอกว่าอ๋อท่านน้อยไม่เป็นไรท่านเยอะไม่แน่ะนี่ไม่ได้นะ เท่าใด น, น้อยยังยังปฏิเสธได้เยอะคิดดูก่อนเอเห็นไหมยิ่งเยอะยิงย่งมากมา ย, ยิ่งเยอะเท่าใดมันก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องทดสอบกับเราฟัตตะกุลรอฮยาอุลิลแอนเบบีละอัน ล, ละกุมตุฟลีฮูนอลัลละบอกว่าจงยำเกีงต่อร้อนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายอ่าคนที่มีสติเขาจะคิดได้ว่าไม่คุ้มกันเลยนะไม่คุ้มกันเลยกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทาไป เพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับความสำเร็จพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับแนวคิดการแต่งตัวตอนนีเ้เขาก็อาจจะมองพวกเราแต่งตัวแปลกๆเนาะปิดหูปิ ด, ปดตาคุมหัวอะไรเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเขาถามว่าพนักงานที่ทำงานตามบริษัทหรือแม้กระทั่งพนักงาน 7, เซเว่นแต่งตัวแบบไหนเข้าไปทำงานได้ไหมต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มเขาไหม ข้าราชการเนี่ยวันที่เขาต้องบังคับให้แต่งก็ต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มแปลว่าชุดที่สถานที่นั้นกําหนดช่างที่อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยเขาก็ต้องมีชุดของเขาแม้กระทั่งคนตัดผมเนี่ยเขาก็ต้องมีนะบางทีก็ต้องใส่เครื่องมือเขามีเอี๊ยมมีอะไรมันเป็นยูนิฟอร์มที่แต่ละหัวหน้างานหรือหน่วยงานกําหนดชุดนักเรียนชุดทํางานของบริษัทต่างๆ คำถามว่าเราไม่แต่งได้ไหมเราจะไปชุดแบบทําสบายเราเราไปแต่งได้ไหม <_ d ata> เขาบอกอ๋อถ้าไม่แต่งก็ไม่ต้องทํางาน <_ d ata> กูก็ไม่จ่ายเงินมึงเออมึงไม่ต้องทํางานอ้าวทาไมยอม <_ d ata> อ่ะอ๋อคุมหัวได้หมายถึงว่าชุดเขาเนะี่ย <_ d ata> ไอ้ชุดที่เป็นลายๆเนะี่ยชุดที่เขามีตราเนะี่ยมันมีทุกหมดแหละไอ้ด้านอาหารก็ตามด้านอาหารที่มีมาตรฐานนะ ไม่ใช่นักอาหารผัดข้างทางอันข้างทางเนี่ยเขาแต่งไงก็ได้เพราะเขาเป็นเจ้านายตัวเองแต่พูดถึงสมมตเิเป็นลูกน้องเขาที่เป็นทําไปทุนนั้นไปนทําำงานโรงแรมอย่างเงี้ยอ่าเงี้ยฉันไม่ไมีปัญหาโต๊บใส่ได้หมดแหละแต่มันจะเป็นหน่วยงานที่เขาต้องกําหนดแม้กระทั่งราชก า, ารก็กําหนดระเบียบต่างๆอ่แบบกว้างๆหรือระเบียบที่ต้องเป็นชุดนั้นเลยต้องสีนั้นแบบนั้นต้องมีใส่บ้างใส่อะไรว่ากันไปแล้วทำไมเรายอมล่ะ อ่าเรายอมเขาก็บอกว่าเอเหตุที่ยอมเพราะเราต้องการได้งานไปทํางานและเจ้านายก็จ่ายเลยจ่ายสตางค์เงินเดือนแล้วก็ยอมยิ่งแต่เงินเยอะหนี่ไม่มีปัญหาแต่งอะไรก็ได้บ้าบาบอยยังแต่งได้เลยขอโทษดีแต่งบ้าบาบอยยังได้เลยเงินเดือนมันสูงอ่ไงบางทีให้แต่งเป็นอไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมเป็นคริสต์มาสมันเป็นเซนต์คอร์มันแต่งได้หมดเลยก็าค่อตังค์อ่ะแต่คราวนี้คําถามว่าแล้วมุสลิมเราจะแต่งชุดแบบเนี้ย ด้วยเป้าหมายที่ป้องกันไฟนรกไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรือชุดที่เราใส่อยู่เนี่ย 1990. ไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรือเออชุดที่ใส่คุมฮีา马เนี่ยเราใส่เพื่อป้องกันไฟนรกและทําให้พระเจ้าพอใจผู้ที่ให้ริสกีเราไม่ยิ่งใหญ่กว่าหรอชุดเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วไม่มีชุดไหนยิ่งใหญ่ก็เท่าฮีาบของมุสลิมมากอีกแล้วเพราะเราใส่ไม่ใช่แค่หวังเงินสตางค์ของเจ้านายแต่เราใส่เพื่อป้องกันไฟนรกแล้วคนนั้นเขามาถามว่ามันจะร้อนแค่ไหนอ๋อไม่เป็นไรหอกครับ ไฟนรกมันร้อนกว่าแล้บอกแบบนี้ไปเวลาคนที่มาถามาไมคุณมียาบละ่ะคนอื่นเขาเปิดหัวดํากันหมดเลยเนี่ยเปิดก็เนี่ยชุดนี้ป้องกันไฟนรก ค, คุ้มไหมละ่ะถ้าใส่ชุดนี้แล้วป้องกันไฟนรกได้ต่อให้ร้อนอยังไงฉันก็ใส่เอ๋เห็นไหมเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เราต้องโต้ให้ได้แหมทีคุณให้แต่งชุดบา้บาๆบอๆคุณยินแต่งเลยทีเราจะแตง่งมากไม่ได้ <laughs> น่ะอา้าวนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะ อ้าวต่อมายาอายุทธาดีนาอามานูอีกคำถามอีกคำสั่งหนึ่งโอ้พระสัทาทั้งหลายลาทัสอารูอันอาชยายาได้ถามในสิ่งต่างๆหากสิ่งเหล่านั้นถูกเปิดเผยขึ้นและมันก็จะว่าอินทุบว่อินทุบาดาลากุมตุกุมและมันอาจจะเป็นผลร้ายแก่พวกเจ้างงไหม อยาถามและถ้าหาพวกเจ้าถามถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นขณะที่กุอานถูกประทานลงมามันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษ ต, ต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษฮาลีมแปลว่าอะไรผู้ทรงหนักแน่นเสมออะมาดูนะข้อดีศนบีนะ เราตะละมูเนมาอาละมูพวกถ้าพวกถ้าหากพวกท่านรู้อย่างที่ฉันรู้แน่นอนพวกท่านจะหัวเราะน้อยลงนี่เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องของของการลงโทษนะคืออย่างนี้มันมีที่มาของอาย่านี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนห้ามถามเนี่ยมันหมายความว่าไงถามได้ไหมถามสอสอบาถามนาบีได้ไหมได้สิแต่ห้ามถามแบบไหนอฟังนะ โดยเล่าว่าแท้จริงอันนัสบินมาลิกได้เล่าให้เขาฟังว่าท่านรอซูนสุลลัลล์ฮาวะเลย์ซัลลัมนั้นมีผู้ถามคำถามมากมายซึ่งท่านก็ได้ออกมาอย่างพวกเขาในวันหนึ่งและก็ขึ้นไปที่มิมบัตและก็กล่าวว่าลาตัสอาลูนีย่อมาอันชัยอินอินละใบยันตูฮุลากุมวันนี้ไม่ว่าพวกท่านจะถามสิ่งใดฉันก็จะตอบและอธิบายให้ชัดเจนต่อสิ่งต่อทุกคาถาม แล้วบรรดาสาวกของท่านอดูนก็ต่างพากัน ร, รู้สึกเศร้าใจงงไหมทำไมท า, าทไมซอบ้าเศร้าเพราะคิดว่านี่เป็นการสั่งลาบอกลาแล้วสั่งเสียงไะวันนี้จะบอกหมดเลยเหมือนกับเป็นการบอกลาท่านนาบีลเีละบอกเป็นไนว่านาบีจะไปแล้วไงมีอะไรถามม่ให้หมดนะ ในวันนั้นเองฉันก็มองไปทางซ้ายและขวาใครรายงานเนี่ยก็ตาดา้ก็พบว่าทุกคนพากันนั่งก้มศรีรษะแล้วเอาผ้าคุมแล้วก็ร้องไห้สะอื่นร้องไห้กันหมดละรู้แล้วว่านบีมาสั่งละสั่งเสียแล้วก็จะลาละปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาไอ้นี่ไม่ได้รู้อะไรเลยชายคนนี้ถูกผู้คนเหยียดหยามนะแล้วก็กล่าวหาว่า ไม่ใช่ลูกของบิดาของตัวเองคือคนคนนีเ้เคยเคยเคยมีข้อสงสัยเรื่องของพ่อไม่รู้ว่ามีพ่อหรือพ่อหรือพ่อเป็นใครเพราะคนสมัยก่อนนี่สําคัญนะนับเชื้อสายเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่มีพ่อเนี่ยเขาถือว่าไม่มีตระก่นไม่มีต้นตระกูลนะรู้จักแค่แม่ไม่รู้จักว่าพ่อเป็นใครนี่ฮะถือว่าเสียหายมากต้องมีพ่อทันใดนั้นเองเขาก็กล่าวว่าท่านนาบีครับใครคือพ่อของฉัน เขาถามเลยใครชบท่านอับดนบีตอบว่าพ่อของท่านชื่อว่าอูซาฟาผู้เล่าขดิได้เล่าตอว่าหลังจากนั้นท่านอุมัตก็ลุกยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าโอ้เออแล้วเขาก็เล่าว่าแล้วอุมัตก็ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่ารอดีตุบิลล่าฮิร็อบบะวิสละมินีนะวะบิโมฮัมมัดินรอสูละอ้อีดันบิลลาอ้อกอลาอูดุบิลลาฮิมินชาริฟิตันฉันขอยินยอมว่าอัลลอ ฉันยินฉันมีความพอใจที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าอิสลามเป็นศาสนามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตโดยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์หรือเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายแห่งความยุ่งเหยิงเพราะกว่าบางคนเนี่ยพอเห็นนบีเปิดให้ถามก็ถามเรื่องไรสาระนะถามเรื่องอูดอูดหายมาถามถามเรื่องอะไรไม่รู้ จนกระทั่งอายะกูดานเนี่ยลงมาแนนี่บอกว่า อ, อนอกจากนี้ก็มีคนมาถามเนี่ยถามว่าอูดของฉันอยู่ไหนมาถามนบีอูดของฉันอยู่ไหนคําถามบบถามาแล้วอูดแกอันนี่ยป๋าฉันจะบอกเวลาเราของฉันใช่ไหมแล้วฉันตัดป๋าที่ตะเล็บไว้ไหนเนี่ยของใครก็ถามของใครบอกของฉันเองเอ้วของแกก็ไปหาเอาดิป๋าบอก <laughs> เออไม่ให้คนอื่นหาของใครล่ะของตัวเองทำไมหาไม่เจอมาถามคนอื่นไอ้นี่ก็เหมือนกันมาถามแล้วเธอแทนจะถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาถามอูดตัวเองหายไปไหนก็ไปตามหาเอาสินะหลังจากนั้นอายันี้กุฎานนี้ก็ลงมาอีกอันนึงเนี่ยมีคนถามนบีว่าฮัทนี้ที่มาทำปีเนี่ยต้องทำทุกปีไหมปีหน้าต้องมาไหมนบีก็เงียบเงียบอยู่สามสี่รอบไอ้นี่ก็ถามอยู่นั่นแหละปีหน้าต้องทำมาทำฮัทไหม หน้าต้องมาทำํำฮัตอีกไหมนบีก็เงียบจนกระทั่งนบีบอกว่าถ้าฉันพูดว่าต้องทาำพอทันก็นลาบากกันหมดอะลำบากไม่ละท่านาบีบอกว่าถ้าทำทุกปีแล้วก็ครั้นี้ยุ่งอะไรพวกเราไปฮัตกันทุกปีเนะี่ยแล้วคนไม่ไม่ล้นกระ บ, บาลเลยเหรอทั้งโลกไปกันหมดนั้นไอสิ่งที่นบีหยุดเอาไว้นิ่งเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ผ่อนผันเอาไว้อ่าให้ใช้ของมีคมในการเชื่อสัตว์ ต้องถามไหมมีดได้ไหมขวานอะไรอีกเล็กอะไรเอ่อเอ่อคัตเตอร์ได้ไหมเออไม่ต้องถามหรอกมันคมไม่ล่ะแต่คมก็คือใช้ได้ท่านนบีบอกมีดยุ่งไหมคราวนี้ไอ้คนมีคัตเตอร์เชือชนไม่ได้ละมีกระบี่เชือชนไม่ได้มีซามูไรเชื่อชนไม่ได้อะไรที่เปิดเอาไว้กว้างๆนั่นแหละคือสิ่งที่ศาสนาให้ความเมตตาจะได้สะดวกไงอะไรก็ได้ขอมีคมใช้ขวานก็ได้คัตเตอร์ก็ได้เออเล็ก ที่มันมีความคามก็ไปเชือดสัตว์ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะนั้นอะไรที่อลัลลอก์กำหนดก็ปฏิบัติอะไรที่อัลล์ไม่ได้สั่งเอาไว้ก็ให้เราทำนะทาตามที่มีความสะดวกนะครับ อ, อ่ะอีกอายาหนึ่งนะได้ไหมอีกอายาดหนึ่งนะ เลยเลิกแล้วผมแปลครบเลยจบแล้วนะ อ, อ๋อยานหนึ่งขอโทษทียังไม่ชม ก, าาก็เดชาอาลาฮากามุมมิงกอบริกุม้มแท้จริงได้มีกลุ่มชนก่อนหนะ้าพระเจ้าได้มาถามสิ่งต่างๆเหล่านั้นและพวกเขาก็กลายเป็นผู้บฏิเศษจำได้ไหม ต้นตำรับการถามเยอะสุรบกกรอพวกไหนเออยูดนาบีมูซาบอกให้เชื่อวัวถามอยู่นั่นแหละวัวอะไรวัวต้องไอ้ น, นั่นวัวนี่สุดท้ายลาบากงานเข้าแหมอย่าถามในสิ่งที่ที่อะไรนะในสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่อเ ล, ลอตไม่ได้บอกอเ ล, ลอตใช้อะไรทําตอนนั้นเลยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่ลําบากแกพวกท่านแต่นี่มันถามเพราะมันจะไม่ทำเรื่องเรื่องเนี่ยอ้าว วาศิล aha นะอยู่ตรงนี้ก่อนมา جعل ا َ ل ه من ا ح ث ي و ولا س ا ئ و ولا وصيلة Lomlah lagi. Hati terlucu nih. Negeri. อิบَตِอวลาว و َลาวลَฮามิอฺ ولكن ول الذين كفروا يفترن على الله ا ل ك َ ذ ب و ل ا َ ا م ิ ะ أ ك ث ر ه م لا ي ع ล ل <ون> و ن <ون> อ่ะนะอายะเดียวพอเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะนิดนะ เ, Allah, เนี่ยอัลลอ์เนี่ยไม่ได้ทรงให้มีขึ้นเขาไม่แปลเลยนะเขาแปลทับศัพท์เลยนะบอกว่าไงบารีรออัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้มีขึ้นไม่ได้ทำอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเอง หนึ่งบาฮีรออันที่สองซาอีบะอันที่สามวาซีลาอันที่สี่ฮามกี่ยางเนี่ยสี่อย่า ง, างมันคืออะไรเออคำว่าอันบาฮีรอคือสัตว์ที่ถูกห้ามใช้นมของมันเนื่องจากต้องการใช้เพื่อบรรดาจวิดเท่านั้นไม่โดยไม่อนุญาตให้ ใช้นมแก่คนผู้ใดให้รีดนมแล้วก็เอานมเนี่ยไปถวายแก่จเจว็ดเอานมไปถวายคนห้ามกินเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะให้นมกับเว็ตอันที่สองอัสซาอีบะอัสซาอีบะคือสัตว์ที่ถูกมอบให้แก่จเจว็ดโดยไม่เอาสัตว์ไปใช้บรรทุกสิ่งใดอันที่สามัวานวาซีลาคืออูดตัวเมียแรกสาวที่พวกเขาถวายให้แก่จเจวิต อันที่ห้าอัลฮามคือลูกตัวผู้อูดตัวผู้ที่กำลังคึกเอาไปไว้อ่แล้วก็เกิดจากการคัดอูดที่ดีผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์แล้วมันออกมาเป็นลูกอูดที่ดีก็อูทิศอูดตัวเนี้ยให้กับวเวิเป็นไม่ใช่แม่พนันธุ์คือเอาไปเอาไปให้จวเจวดตหมดเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยยาฮิลิยา อของดีทั้งนั้นแหละอูดเนี่ยของดีแต่ว่าเอาไปให้กรเจเวดนะครับแล้วก็มีฮะดิษบทหนึ่งนะว่านบีบอกว่าอินน่าวะลุมันไยฮีบะอัสวาอิบแท้จริงคนแรกที่ถวายสั์เลี้ยงและกราบไห ว, ว้เจเวดวะอวะวะอับดัสอัสนามและ ก, กราบไหว้เจเวดมีชื่อด้วยนะชื่อว่าอาบูฮูซาอัมบุตรของอามิด ชื่ออะไรนะชื่อเอาว่าอาบูคูซาอะแต่ชื่อจริงชื่ออัมบุตรของอามิดวาิ น, นีอารอไอตุฮูยูยยุรุอัมออาหูฟินนาทซึ่งนบีบอกว่าฉันเห็นเขาเนี่ยกำลังฉุดลากไส้ของเขาในไฟนรกไอ้ว่านี่เขาเรียกคนคนเดิ่มต้นอัมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเผ่าคูซาอะซึ่งเป็นคนดูแลใบตุ้นรอดนั่นแหละ อยู่ในเผ่ายุมยุมอะไรยุมหุมยุทธหุมเผ่ายุทธ ห, หุมนี่คือเผ่าที่เดิมที่อะไรที่นบีนบีอิสมาอินกับพนางฮายัดมาที่นี่แล้วก็เผ่ายุทธหุมก็ามาเชิญเผ่านี้มาดูแลอยู่แถวกาบะปรากฏว่าเขาเป็นคนแรกที่เปลี่ยนศาสนาของนบีบรอฮีมเป็นคนแรกที่เอ า, จาเจวิมาเข้ามาสู่ฮีจารและก็เอามาประดิษฐ์เอาประดิษฐ์สถานเอาไว้ที่กาบะ เหที่จเวิมันเยอะเนี่ยเพราะไว่วะเนี่ยเข้ามาใส่เรือมาน่มาจากนู่นมาตอนแรกอาหรับเนี่ยไม่มีจเวิเลยไปเอามาใส่มาแถวกรีกกรีกเป็นผูกเป็นเป็นเป็นชาติที่มีการทํำจเวิทและนี่ก็ใส่เรือมาแล้วมาไว้ในคาบสมุทรอาหรับคราวนี้จเวิก็เต็ไปหมดแล้วก็เอาพอมีจเวิแล้วทำยังไงถ้าจะบูชาจเวิทก็คนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ต้องกําหนดเลยว่าถ้าเกิดแพะตัวเนี่ยขอโทษดิอูดตัวเนี้ยออกลูกเป็น ออกมาห้าออกมาห้าท้องแล้วและเป็นกําหนดแบบนี้ก็ให้เอาตัวนี้ไปถวายออกได้ห้าท้องเอาไปถวายออกได้เจดท้องเอาไปถวายก็เป็นชื่อของสัตว์บาฮีรอซาอีซาอีบะวซีละและก็หามอัลลอฮฺบอกว่าลกกินน่าละดีนะกาฟารูอัลลอฮฺบอกว่าไงแต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาตั้งหากที่อุปโลก และอ้างว่าอัลลอฮ์ให้ทำไอ้พวกนี้มันอ้างด้วยนะว่าอัลลอฮ์ให้ทำแบบนี้เป็นวาซีละเป็นถือสื่อไปถึงอัลลอฮ์โดยการเอาเอาสัตว์พวกนี้ไปพรีให้กับจเจวดและก็ขอกับจเจวิดผ่านกับผ่านไปถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไอ้นี่พวกนี้โกหกอุปโลกทั้นนั้นเลยกาดิบโกหกแซวหรว่อักซาหุคุมแหยะกีรุณไอ้พวกนี้ไม่พวกที่ไม่มีสติปัญญาปัญญาอ่อนนะพวกนี้นะสติปัญญาไม่มี ไม่ใช่สติปัญญาอะก็จบเท่านี้นะครับซุบฮานะกลลอฮุมมาอิฮัมิกอัชดอัลาอิลาฮอิลล์อันตะอัสตัฟิูกวตูบุลอัสลามอะลัยุมรามตุลลอฮบระกตุ